พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าบเจลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23กันยายน2556หมีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมตัวว่าเราจะต้องตายเมื่อหนึ่งฉั น, นีนห้องเหไหมกําลังฮื อ, ฮ อ, ฮอนะ ไปว่าฝนจะหยุดหรือฝนสิตกว่ะแต่มือเศ้านี่ยเห็นหมอกเห็นหมอกควันหนานแน่นเลยนะตามเมื่อจริงว่าหนาว่าหนาจะมีหมอกควันเพราะยังเป็นเดือนกันย่าอยู่เมื่อในวันเป็นวันที่ยี่สิบสาเดือนกันย่ายนพุทธศักราชสองพหรอยหาสบหแต่ว่า เบิงดินฝ่าอากาศเมือ่อนี้หนูสิกว่ามีหมอกควันพิษปกติถ้าเป็นลักษณะจจงสีคนบัวลานเพิ่นว่าฝนสีเศร้าเด้มันจะเมิดมันจะเมิดฝนแล้วมันจะเขานาหนาวแล้วมันมีหมอกควันขึ้นมากอันนี้ก็คนทำน่ายบัวหลุมโบร้านแต่ว่าตามไม่จริงก็นั่นแหละ บังไปเรื่อยๆคือการนั่นนะหอดมือมันจะมัดเองมือว่านมือกอนมือกอนั่นนะโยมท่องฤทธิ์พวกเฮ้าคงจุงหูจักอ้มังหลวงตาท่องฤทธิ์เก่าอ่ะที่เคยบวช ด, ดูวัดเฮ้าเป็นสาธรารณาสุขอำเภอเมืองแล้วก็เป็นสาธรารณาสุขหลายอำเภอในจังหวัดอุดร ผลนสุขัเป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองพ่อกเกษียณแลเพิ่นก็เลยมาบวชวัดเท่ามาเพิ่นกับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรอยู่แต่ต่อมาโลกเล่าเข่าเพิ่นก็เลยอยากจะซึ้งเฮ้าขบาวาเป็นความประสงค์ของเพิ่นเพิ่นก็เลยล่าสิขาไปล่าสิขาไปก็ได้ไปป่วยกระสาะกระแสะไปเลย เกี่ยวกับดูกบังเกี่ยวกับล่บบลำไส้ตอมลุกหมากลักษณะอย่างนั้น่ะโพนิโซกมามรณะเมื่อก่อนนะตายเมื่อก่อนนะอายุคงจะประมาณสักเจ็ดสิบตน ต, น, ตนมักลงพอวานะคงจะแก่กว่าลงพอ บ, บว่าเท่าไหร่แล้วเมื่อวานลงพอก็ได้หพระในวัดของเฮ้าได้เอา พ, พวกผ่าไตรพวกยังไปร่วมสบทบงานศพของเพินเหมือว่านตอนเย็นก็มีการสวดอภิธรรเ ม, มือว่านเนี่ยเมือกรและก็เมือว่านเนี่ยแล้วก็จะประชุมเพิ่งแต่จะขอพระราชท่านเพิ่งบูพลเป็นกราชการบนานาญวันที่ยี่สิบก กันในมดหลวงพ่อไปเป็นองค์แสดงธรรมที่วัดบั้นจิกแต่หลวงพ่อก็ยั่งเพราะท่านได้รับหรอกเพราะว่าภารกิจของหลวงพ่อก็ไม่มากแต่จังยังใดก็รับไหวพิจรารณาไหวคันมันวางก็คงจะได้ไปให้เพิินเพราะว่าเพินินก็มาอยู่วัดเท่าเป็นลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาเคยมาอยู่วัดเท่า วันหลวงพ่อจึงได้ให้พระไปร่วมว่านเนะ่เอาพวกพาไตรพวกนั้นนะไปร่วมสมทบนี่แหละพวกเฮาทัน ท, งทังไรตีบ่อให้ฟังเนะนี่ยตีน่งน้ำกันมัดทุกคเนนะ่ยักษิสีไผ่สีไปก่อนไผ่กระบงมรณะไพคคำเนี่ยมรนังเมาวิสตนะิให้ละเลิกไว้อยู่เสมอ ขันว่าเห้าระลึกไปอยู่เสมอความคึกความขน้องความลืมตัวความมักใหญ่ไฟสูงความอวดโอหังว่าโตว น, นี่เป็นจิเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นผู่มี่ยศถามบรรดาศักจะเป็นบุคคลสำคัญในมูโม่เผื่อนในพักในพวก เรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญให้คนยงยองนับถือเรื่อมไซสสรุปแล้วก็คือเป็นความคิดที่ลืมตัวเป็นอย่างมากถ้าจะพูดตามตามแนวท่ามข้าสอนแต่ว่าถึงอย่างไนก็ตามสิ่งเรานั่นเขาก็ต้องได้คิดไปอีกคึกันบรมแมนจิกคือคิดถึงความตายเลยกั เฮดโจโลโอยู่มดความคิดแบบค้นมดความคิดไรเสตติไรปัญญาเป็นคนมดผลทางกบแมนจังสันแต่ว่าคันลืมตนลืมตนลืมตัวมากจนเกินไปจนบ่คิดว่าจะคองสีตายอันนั้นก็นาคิดคือกันแต่บัดนี้พวกเฮ้า สิว่างตัวแบบไหนมันจึงจากถูกต้องเหมาะสมะในการเป็นอยู่ของเฮ้าอันนี้เราต้องใส่ลักธรำข้ำสอนของพระุทธเจ้าใส่ธรำข้ำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวแนะนำให้พวกเฮ้าสำนึกไปอยู่เสมอว่าอย่าลืมนะให้คิดไ่อยู่เสมอชีวิตเป็นของบ่อเทียงแท้แน่นอน เหมือนกับนําข่างใบบัวพร้อมที่จะกิ่งตกลงเมื่อได้ก็ไดเมือ่อล่ำรวโชคมากหรือว่ามีการกระเพื่มของนําหรือมีสัตว์สาร้ายสิงไ ม, ชม่ชุนมากชนมาต้องพอร้อมที่จะนำพร้อมที่จะลดออกจากใบบัวได้ชีวิตของพวกเขาก็คือกันคือกันกับนานําข้างใบบัวอย่าต่างอยู่ในความประมาท สิ่งไหนที่พวกเข้าจะสร้างในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เข้าอยู่ในสถานะไหนในสถานะเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในขณะนี้เข้าก็ทํำนาทีพ่อแม่ของลูกให้ดีที่สุดในเมื่อเข้าเป็นโลกเข้าก็ต้องทํำนาทีของลูกให้ดีที่สุดอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหาอย่าให้เกิดปัญหา ในฐานะที่เข้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้าโมย่างหลวงพ่อนะ่ยหลวงพอ่อจะไปย่ำทำตนให้ดีที่สดุดขึ้นกันเชีงใดที่จะเกิดประโยชน์ต่อลูกนอก้องต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อกลุมของเข้าอันใดจะเกิดประโยชน์กาแฟย่ำทำให้ใหดีให้ถูกต้องที่สดุดในพวกเข้าทั้งหลายขึ้นกันที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาต่อผักต่อพวกต่อมูต่อเพื่อน ต่อคู่บ่ายจานต่อสำนักพวกเข้าหัควรจะคิดให้ดีที่สุดคือกันพอต่อไปผ้าิภาคหนาถ้าว่ามีอายุต่อไปพวกเข้าทั้งหลายจะอยู่ด้วยกันก็จะได้พึ่งผ้าอาศัยกันจังสี่แหละจังหลงโน้มท่องฤทธิ์จังสี่แหละมา อ, อ, อยู่กับพวกเข้าเข้ากับให้ความเข้ารบนับถือเหลื่อมใสในการมาอยู่ด้วยกันเมื่อจากไปแล้วเข้าก่อนล้ำเลือกถึง ไปส่วยการช่วยงานช่วยควอมคิดเองจังใดเพราะการยูโดยกันนี่แหละเมื่ อ, อยูโดยกันก็ให้มีความเอือเฟื่อเ อ, อืออารีต่อกันเมื่อจากกันจะเป็นจากเป็นหรือจากตายพวกเข้าก็มีความเอือเฟื่ออืออาลีต่อกันเข้าสี่ซ้อยเหลือกันจังไดในขณะที่ออกแยกย้ายจากกันไปหรือว่าถึงข้าวขับขันจําเป็น เข้าจะดยช่วยเหลือกันจังไดอันนี้แหละคือความเมตตาและการอยู่ด้วยกันในการที่พวกเข้าได้ศึกษาทำค่ําสอนศึกษาแนวทางปฏิบัติสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนสรุปแล้วก็ให้เป็นคน้ดี่าให้เป็นบุคคนที่ขวางขวางโลกขวางธรรม ขวางมูงขวางเพื่อนขวางคู่บาอาจารย์ให้เป็นผู้มิเหตุผลการจะพูด อ, อย่างก็ตามทํามันจะกระทบกระแทกกระเทือนมู่พวกเพื่อนคู่บาอาจารย์ผู้อยู่ไกลเอาข้อต่อระว่างคาพูดคาจาอย่าไปแสดงอากัปกิริยาที่มั่นว่าเป็นศีลเป็นธรรมแต่ว่าถึงจะแสดงอากัปกิริยาออกไป แต่เบื้งแหละมันเป็นศีลเป็นธรรมอา่าเพราะคนอผูนั้นข้อกุมนั้นบุคคลคนนั้นทรรมนบอดอีพวกเข้าก็ต้องช่วยกันประนามบ่าการกระท่ำยังสี่มันบ่ถูกต้องในเสียหายสีพูดแต่คำว่าจา่าพี่แต่คำหวานอย่างเดียวเป็นว่าจานดอกไม้อย่างเดียวก็คงเป็นไปถึงสันบ่ได้คือกันแต่ว่า ควนจะแข็งแบบไรข่วรจะอ่อนแบบไรอ่วรจะใส่วาจาแบบไรมันจึงจะถูกต้องเหมาะสมแต่ว่าก่อนที่ใส่ให้ใส่ขคคอืไข่ข่วรซะก่อนกันกล่องซะก่อนอันนั้นคือความถูกต้องอว่านิซัมมะกระนังเสยโยใข่ควรซะก่อนค่อยพูดค่อยทําจึง เ, เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าวกูเข้าบัวใด ให้ความคิดหลวมปากกระพูดเลยการกระทําของเฮ้าคือกันโปโลพรภาลายกระทําเห็ดอยงก็เห็ดเหมือนกับคนไรจติไรปัญญาเป็นคนประสาทอย่างผูกง่ายง่าท่านมันสั่งแต่ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นในมูของพวกเฮ้าขึ้นกันเพราะนั้นทาว่าพวกเฮ้าลําลึกไว้อยู่เสม อ, อจังสีแล้วก็ลําลึกเสมอถึงมรณะไพ่ที่จะตามมาถึงพวกเฮ้า บ่เมื่ไใดก็เมื่อนึงวันไดก็วันหนึ่งแนหะเวลาไหนเวลานึงต่อไปพ่ายภาคนาเนี่เทาควรจะเตรียมพร้อมจังไดอันนั้นคือนาทีของแต่ละคนในบ้านเนี่ยแต่ทีแรกกนะันมองกันเจ้ากอนอยู่ด้วยกันเจ้ากอนอันนั้นก็คือการอยู่ด้วยกันการว่างแผนในการอยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามคัคคีที่ผ่านมาแต่ตันนี้มั่จนเขามาหาตัวของข้าพระเจ้าเองในบ้านนี่ ข้าพระเจ้าจะทำตนจังไดในเรื่องมรณะไพ่จะมาถึงไผ่ภาคนาจะว่างตัวแบบใดที่ทำตนยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นถ้ำจึงจะเก็บหอมรอมริบซับสมบัติทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นใส่ถุงใส่ ย, ยามใส่กระเป๋าของเข้าที่จะเดินทางต่อไปไผ่ภาคนาคือเข้าตะมีตอขี่มูลาขี่ม้าแห่ง ใส่กระเป๋าไปจังซันบ่เห็นเพราะเฮ้ามาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมค่ําสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังโอวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเทพทั้งหนงังสือเออเปินกระแนะนําสั่งสอนแล้วเฮ้าจิประปุ่งกายว่าจ่าใจของเฮ้าจังใดเฮ้าจิสแสวงหาทรัพย์เพชรนิ่งจินดาที่เปิลบอกกล่าวมาหน่อยเพชรจังสี่หนะ้า เพชรนิ่งจินดาจังสีหนะาสองของที่มีคุณค่าจังสีหนะ้ของที่ไร่คุณค่าจังสีหนะ้เพิ่นบอกแล้วห่อจิตยึดจังไรสำหรับตัวของเฮาเองคานม้าพวกเฮาได้ใส่สติใส่ปัญญาการกรองกับพยายามยึดแต่สิ่งที่ดีเหลืองท่านบังเหลืองศีลบังเหลืองภาวนาบังเรื่องภ า, า, า, าวน า, าเนี่ยสำคัญยึดภาวนาให้มากเพราะมีโอกาสว่างๆก็นั่งภาวนาเดินยองกลม กำหนดจิตใจของเจ้าของอย่าไปแชซ้ายออกไปข้างนอกอย่าไปทรงใจออกไปข้างนอกผู้นั่นบอดีผู้นี่บอดีอี น, นั่นอีน่านลูกสะพายลูกเคยเอพระองค์นั่นคูบาอาจารย์องค์นี้อมูองค์นั่น เ, เพื่อนองค์นี้อยาดโนมผู้นั่นผู้นี่มีแต่ทรงออกไปนอกบ่เบิงเจ้าของอันนั้นบอถูกนะต้องเพิงเจ้าของ เฮาเดี๋ยวีเฮามีเอยียงมีสติเราบอกมีสติสัมปชัญญะแลยยังเฮาเห็นความเกิดความเสื่อมของโลกเลยยังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแลยยังเ้วอนาคตของเฮาที่จะไปจังไรถ้าว่าเฮาตายในขณะนี้เนะี่ยปุ๊บปั๊บตายเลยเฮาจะไปใส่เดี๋ยวนะี้เฮาได้คิดไ้บอกสิงโมนีให้เฮาเตรียมพร้อมแต่บอถึงกับเครียดนะ เพราะถึงกับเครียดเพราะถึงกับโมโหโต๊กให้เห็นตามความเป็นจริงมันจะต้องเป็นจริงสัง่นแมนบล์เนี่ยเห้าเกิดไม่โลกมันจะต้องเป็นจริงแบบที่เพิร์ลบอลนี่แมนบล์เน่ยเห้ากับปฏิเสธบุหรี่กันมันต้องเป็นจริงเพราะความจริงมาพูดมาเฝ้ากันไม่ใหเห้าเสียเอาจังไรในตัวของเห้าน่ยเห้าจะร่วมร่วมเพชรนิ่นจินดาใส่จิตใส่ใจเห้าจังไรที่เห้าจะไปสู่เปลาโลก คันวาพวกเข้าได้เตียมพอมนะชําระจิตชํราระใจก็คือการเพชนิ่งจินดาเนะข้ามาในจิตในใจของเข้าจนเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาพระสกทาข่าพระอนาค่าพระรหันนะชําระจิตใจของเข้าขบริสุทธิ์ลุดพลอยู่จังได้ก็อยู่เย็นเป็นสุขสีลมสีตา ย, ส, ตายสีตายไฟเผาเป็ยังใจก็ยังมีพลยังมีความสุข ตายจมนาบจมหนาก็มีความสุขตายอยู่ใสก็มีความสุขพ เ, เพราะเหตุอะไรเพราะร่างกายมันตายจะซื้อใจใจของเข้าเนี่ยวัดได้ติดอยู่ในร่างกายมันเป็นเอกเทศเป็นอีกส่วนหนึ่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันดับวัดได้เกี่ยวของกันแต่มันเดียเ๋ยวนี้มันอาศัยมันอาศัยเฮือนเพออยู่เในเฮือนเนี่ยเท้าหูวจากอยู่คิดถึงเวลาไหนไฟจะต้องไหมนะ้แล้วเฮือนเท้านี่ มันอยู่ในป่าแบบนี้ไฟไหม้แต่แท้แต่มันเคยไหม้มาแล้วไหม้มาเป็นทอดๆแล้วอยู่ไสกับไฟใหม่เพื่อนนะอ่แต่อยู่นี่เขากับจิ๋ไหม้กันเพื่อนของเราเข้ากับจิ๋ไหม้อีกสักมือหนึ่งแล้วไฟจิไหมแต่แท้เนี่ยเพราะตัวอย่างมันไหม้มาแล้วเนี่ยคือเาราลึกถึงความตายเลพอแมปูญาตายง่ายพวกสาขนายาดผู้เ่าผู้แกผู้หน่อยผู้นุ่งก็ตายมาเป็นใ ห, ใ, หให้เห่าเห็นอยู่แล้ว อันนี้คื อ, คอไฟไหม้เงื่อนคือความตายนะคือไหม้ร่างกายเฮ้าของบ้านพิจารณาเบื้งเฮ้าอีกสักมือหนึ่งเฮ้าก็ต้องไหม้ขึ้กันกับท่านเหล่านั้นแ่ะแล้วยเฮ้าเสียเก็บเพชรนิ่งจินดาบสีท่อนจนังไดสีท่อนเงืนอนสีท่อนเพชรที่มีคุ้น่านะเฮ้าสีเก็บไว้ใส่เฮ้าพ้นสิหาจังใดเนีแต่เช่นก็ไฟไหม้เนี่ยแนี่บ้านของเฮ้าเนะ่ย การทว่าเข้าคิดไว้จังสันอยู่เสมอเสมอนะ่ความฉลาดใจและความลืมตัวในการเป็นอยู่เข้าจะลื้มตัวมากเลยแต่เข้าจะเบังเจ้าของอยู่ตลอดจากนั้นเขาก็จะอันไหนเกิดประโยชน์อันไหนี่มีคุณค่าอันไหที่มีประโยชน์ตนและผู้อืน่นเข้าก็พยายามทําชิ่งนั้นให้มากที่สดุดถูกต้องที่สดุดเป็นธถ้ำที่สดุดให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สดุด พอโลกอันนี้มันเป็นยุคหนงทีแหละเกิดมาชาตินาภพนาชาติกัต้องมีเห็นคนทะเลาะ ก, กันด่ากันโคดโกงการปนดีกันเกิดชึกสงข้ามแต่ละยุคแต่ละสมัยอันนี้เฮาทุกนี่เฮาสมัยนี่ก็นับว่าโชคดีมากถึงจังได้ก็ตายเหมือยังไม่มียั ง, มย ง, มยงมไม่เกิดชึกสงข้ามในยุคของพวกเฮาแต่มืออื่นเหมือนเฮือไปบ่อนแอเกันอย่างจะเกิดไม่มีผปรได้ที่ถาำหน้าใดแต่ที่ผ่านผ่านมานับ พวกเขานำวชคดีอยู่เย็นเป็นสุขพ่อสมคุ่นอยู่ในระวางที่บ้านเมืองพ่อมปองตรองกันพ่อสมคุ่นมีความพร้อมเพียงกันพ่อสมควน่นเฮ้าควรจะประกอบคุณงามความดีเขาสู้จิตใจของเฮ้าอันนี้เป็นนาทีของพวกเข้าจะต้องคิดอตักตวงผลประโยชน์เขาสู้จิตใจของเฮ้านี่แหละคันว่าพวกเขา้า ไว้ยุ่ในใจซั่งซีสตลอดเสมอไปะความเลื่มตัวกรบ่บมีไดลเฮาจะประกอบแต่คุณงามความดีไปเรื่อยๆอีกสักมือหนึ่งนะนเฮาก็จะภาคภูมิใจเมื่อเฮาไฟไหมบ้านปุ๊บเล้เฮาก็เตรียมพร้อมแลวเด้ เ, เพดอยูใสอันไหนยูใสเฮาก็จับง่าจัดใส่กระเป๋าก็าหนีออกจากบ้านหลังนี้เลยล่ะไปเลย พอหันหลังเบิ่งอีกต่างหาเพรเหตุใดเพราะเข้าเบิ่งเลยเนขะ้าหลูกเลยเนะี่ยบ้านเราต้องถูกไฟไหมเะบ้านโยเยลังเนี่ยพอใส่ไปใส่ไปกันนั่นนะอ่ะผมงอกฟันลุดคือการกับลอกกับเกวียนนะกับเงื่อนมุ่งยานะ่ะอทั้งไม่ค้ำไม่ไม่ค้ำไมนะ่แน่ พอมันเฉยโยกเดชบ้านทั้งไม่คำทั้งเสือกมัดทั้งจองทั้งถึงไหวเพื่อให้มันอยู่เป็นยังสันบอกรา่างกายของเขาเนี่มันแมนยังสันเดชทั้งยาไหวมันลด อ, อกไปกจับยัดเขาแซมไหวใสหูเสริมไหวใสแว่นตากันไหวนี่แหละอันนี้ก็คือ้นสรุปแล้วก็คือ เอาไม้ไผ่ผูกกนาบคาบค้ำไม้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเป็นสอนเมื่อพระองค์อป่วยที่จะเข้าสู่ปรินีพานะผกสงทั้งหลาย ก, ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเทศคํานี้ขึ้นมากร่างกายเหมือนกับลอกกับเกวียนพระน่ะกูเหมือนในลอกเกวียน ม, มนพิณมีตรลดออลอกเกวียนสมัยก่อน่ะ ตีนมันจะรุดเขาก็ต้องหาไม้มาเอาหวายมาขัดห ว, วายหวายมันรุดมันรุดออกจากกันนะแล้วเอาไม้ไผ่ผูกกรนะดาษคาบค่ำไม้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่อันนี้คือการณ์รนะ่างกายของเฮากระดิงนะ่งนทะ่านหลวงตาท่องริดโยมท่องริดนะเนี่ยเพิ่นตายให้เฮาเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วโมเมนต์ที่ตายเลยซื้อไปแต่โมเมนต์เนีตายแล้วก็ต้องมาคิดเป็นเจ้าของอีกเฮา มีสมบัติติดกระเป๋าพ่อเลยยัง่งสมบัติที่จะติดตัวเข้าไปประโลกภไพทางนาเนเลเป็นทีอุ่นใจเละยัง่งเป็นทีสบายใจเละยัง่งเสียงเราเนี่ยคัน พ, วพัวเข้ามาเตือนกันบบอกกันอบอกกล่าวกันไปจะมาบอกมากล่าวแต่บางคนเน่นผูวได้ห่างเหินจากทำมะพ่อได้เงียบขำนีขึ้นมากขึข้นค่อยๆก็ว่า เอาความตายหรือเอาความทุกข์มาบอกมาคูกันให้เศร้า อ, อกเศร้าใจในการในยินงในฟังนะ่ยอันนนะั้นโมเมนตเนี่ยอันนั้นจะไปคืดจังสันถ้าคืดจังสันแปลคืดแบบงงเงาเตาตุนคูคืคดบ่เด้คือ ด, ด้วยสติด้วยปัญญาตามลักธรรมคัมสอนของพระพุทธเจ้าตามลักธิธรรมคัมสอนของพระพุทธเจ้าพ้นว่ามรณงเมภวิสติให้ระลึกถึงความตาย วายูเสมอพวกเข้าจึงจะตั้งอยู่ในความใหม่ประมาทอันไหนที่เป็นที่กขนได้ทรัพสมบัติให้เก็บหอมรอมริบเอาไว้ เ, เมื่อออกจากภพกนี้ชาตินี้ไปแล้วเขาก็มีสมบัติไปขอสั่งบ้านหลังอื่นอีกเาขาจะ ด, ดีกว่าบ้านหลังนี้มีความสุขกว่าอยู่บ้านหลังนี้แต่ถ้าหากว่าพวกเขา้า พอ ใ, ใจใจพอใจคืดพอได้บ้านหลังนี้ก็ต๊อบมั่ลยพกขึ้นจักเถื่อว่าเจ้าของที่ตายบอกขึ้นจักเถื่อว่าเจ้าของสิแปรปวนพัดภาคจากหลงจากบ้านหลังนี้มีแต่สนุกสนานเนาะในสีมั่วเมากินเหล้าเมายาสมมาเลเทเมาเล่นหัวกันพกขคิดว่าเจ้าของสิหนีจากบ้านหลังนี้พ่อไฟใหม่บ้านหลังนี้เท่านั้นมีปัญหา ประสบวัตเหตุน้าท่วมไฟใหม่ไม่ฮักทับบ้านหลงนังนี้นเท่านั้นแหละบ้านในเจ้าของเละกระโดดหนีออกจากบ้านามีแตะผาหล่นจอนเผือๆมีตั้งแต่กลางเก่งเท่านั้นเสือก็ลืมออกไปอีกต่างหกากโดดหนีออกจากบ้านที่ไปจังไหรหละบาทนเนงินค้าทรับสมบัติกระโจนเตียงผอมเพราะไ่ได้คิดไว้ ว่าเมื่อวเป็นเจังสี่ออกจากบ้านนล้นี่ก็ไปใ น, นเฮนตจังดมั่นทุกมั่นจนไปหาเกิดเป็นสัตว์ธีรไราัน่ะบานเป็นหมูเป็นไก่เป็นส่างหมากงวงควายบบเป็นใดทั้งมดัดพนวาวิญญาณที่ออกจากร่างไป บ, บุมีสมบัติพวะนั้นพวกเฮานี้มาเกิดพบพะพุทธศาสนาพบท้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเลยอย่าอย่าไปประมาทถึงขนาดนั้นนะ ให้คิดเอาไว้ที่ผูดตรงนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อพูดเนยให้พวกเข้าคิดไกลกลันกองไตรตองและให้ปฏิบัติปฏิบัติคื้อย่างให้นางภาวนาเมื่อทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วนะพวกเข้าจะหูได้แล้วเออร่างกายกับใจนี่เป็นคนละอันกันเป็นคนละส่วนกันหลวงปรันมรรน้ําปทรมหลวงปทัมเนี่ยล่มหายตายจากแกเถ่าชรล่า ถึงจุดจบของร่างกายนคะือกันกับไฟคือการขับไอ้คือ ก, กัน ก, กับบ้านไอ้ที่เข้ามีอยู่นั่นแนหะเพ่งทลายในที่ิดแต่คนอยู่ในบ้านจะต้องออกจากบ้านอแต่เขามีสมบัติติดกระเป๋าหรือยัง่งนี่แหละจุดนี้แหละเขามีสมบัติติดตัวเขาเข้าไปหรือยัง่งเที่เยาออกจากบ้านลังเน่งนะ ฮ่าวจะไปสร้างบ้านรักไม้อีกนะอ่าอันนี้เป็นนาทีของเฮ่าวจะต้องคิดละ่ะกันเฮ่าวบ่คิดนะเนี่ยฮ่าวก็อยู่เฉยๆแบบลืมตัวอย่างที่ว่าเห็นผู้ตันตายแล้วก็แล้วไปจะดุงสิงหงุกหงุกนึงเพราะว่ามันอยู่ไกลฮ่าวการตายอยู่ไกลๆเลยแล้วไปการว่าผูกฮ่าอยู่ต่างอยู่ในความประมาทฮนะ่าวยังคิดว่าพอไอ้สิบวาตายได้บ่จะได้ไปตบให้โลกอนะจะได้ไปกินเราอนะ จะไปได้สนุกสนานเขาเอาหมอหลองหม้อล่ำมางั้นพวกเศรษฐีพวกที่เขารวยตายเขาไม่แต่เกิดจังสันบางคนนะอันนี้คือแบบลืมตัวอย่างมากๆคือจะผู้อื่นสิตายบวกคือว่าเจ้าของสิตายซักหน่อยพ่อเจ้าของสิตายแต่ละบ้านนี่เจ็บปว่วยเจ้ า, ปาเป็นมะเร็งเ น, นื้อสนุตาลี่ตาเหลือ ก, กระเสือกกระสนวนไปชักเหเหตุอย่างไร เขาให้กินขี่มากินขี่มา้าเฮ็ดแดงมืดคู่แนวเนะพราะญาติตายขั้นนะว่าผู้ที่คิดไว้ก่อนเราได้คืดแล้ว อ, อถึงจังไงเป็นตายยังไงกันออืถึงข้าวเลยติเป็นยังไงเป็นมาแลงคันในหละัะคันที่ซีแล้วสันเออสันซีเอาไม่ต้องรักษาแลนะ้วไปให้มันไปเลยพอได้คิดไวเพราแหงนัง่นแหะเรื่องความตายเนี่ย เย็ด ใ, ใจมันจะหมั่นคงเลยมันบ่ชสะทกสะทานเลยกานผู้จะระลึกถึงความตายไว้อ ย, ยู่เสมอมิทหารหนาคุณง่าหาคุณงามความดีเท่านั้นบันเออบุญกุศลของข้าไปเจ้าเนี่ยที่เด็กบำเพ็ญมากทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อันธิชาติจนถึงปัจจุบันในชาติทิ่ไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลไห้มาซอยผู้ข่าเนื้อข้าวนี่นะผู้ข่าเจดิช่ายจากบ้านทั้งนี้แล้วเพชรนิ่นกินดาอยู่ใสเอาเก็บมา่านรวบรวมใสกระเป๋า ผู้ค้าจะได้หยายหยกหยายจากบ้านหลังนี้แล้วไปเชียทีเพราะบ้านเก่าแล้วหยายไปบ้านใหม่หรือสิแต่ขาไปเจ้าจะไปไซถึงจุดตินิรภัณฑ์ใดแล้วยังนี่จะไปสวรรค์สันใดจะไปพร้อมจะไปเป็นยังนี่แล้วคณะมีเฮาได้คิดไว้นะความพร้อมของเฮากับมีเดย์คณะปฏิคิดไว้ก็จังสันแล้วตกทุกทายยากลําบาก ทุกในจิตในใจเมื่อมาณะนะไพ่มาถึงพนั้นกอลวากไว้ครับพวกเฮาทุกูทุกคนนะอันนี้ปลาลบเปลืองโยมทองฤทธิ์ที่เคยมาบวชวัดเท่าหลายปีกับพึ่งจากไปเมื่อว่านมอกรน่นนะแต่พวกเฮากันนะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆผนมะคือ่าพวกเฮาจิต อ, อยู่โซฟาตาปีตายปูเป็นมูแมนได้เอารับพ่ออนุอมทนาให้พ่อ